ในปุพพสูตรมนุษย์สูตรอัศาธาสูตรและสมณสูตรคือสี่สูตรแรกในสัมโพธิวัคที่หนึ่งอังคตรรนิกายติดกันในบาทมีพุทธพจน์ที่ต่อเนื่องกันที่แสดงการคิดแบบรุทันคุณโทษและทางออกนำมารวมกันได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่า อะไรหนอคืออัตสาทคือส่วนดีในโลกอะไรคืออาทินวะคือส่วนเสียอะไรคือนิสรณะคือทางออกเรานั้นได้มีความคิดว่าความสุขความฉ่ำชื่นใจที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆในโลกนี้คือส่วนดีในโลกข้อที่โลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรนไปเป็นธรรมดานี้คือส่วนเสียในโลก ภาวะที่บำราชนทราคะเป็นที่ละชนธราคะในโลกได้คือนิพพานนี้คือทางออกในโลกภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาอัาธะของโลกอันใดเป็นอัาธะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอัาธะในโลกมีเท่าใดอัาธะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาอาทินวะของโลกอันใดเป็นอาทินวะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอาทินวะในโลกมีเท่าใดอาทินวะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหานิสสารณ ะ, ะของโลกอันใดเป็นนิสสารณะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วนิสสารณะในโลกมีเท่าใดนิด<ม>สนสารณะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาภิสษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัาธะของโลกโดยความเป็นอัศทะซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินว ะ, วนนวะและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะตราบใดตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภิกษุทั้งหลายถ้าอัสาทะจักมิได้มีในโลกแล้วใสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะอัสาทะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าอาทินวะจักมิได้มีในโลกแล้วใสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะอาทินวะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลก ถ้านิสารณะจากมิได้มีในโลกแล้วใสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกได้จากโลกแต่เพราะนิสรณะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัาธะของโลกโดยความเป็นอัาทะซึ่งอารถินวะโดยความเป็นอารีินะวะ ซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะตราบใดตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออกไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดนไม่ได้แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัศธะของโลกโดยความเป็นอัศธะซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะ เมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจะสลัดออกไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ได้ด้วยจิตไร้เขตแดนภิกษุทั้งหลายสมณะทั้งหลายก็ดีพรามทั้งหลายก็ดีลาวหนึ่งลาวใดยังไม่รู้ชัดซึ่งอัศาธะาของโลกโดยความเป็นอัศาธะาซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะและซึ่งนิสรณะ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 สังยุตตนิกายขันธวารวักมีโพธพธว่าภิกษุทั้งหลายก่อนสำโพธิเมื่ อ, อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่าอะไรหนอคือส่วนดีของรูปอะไรเป็นส่วนเสียอะไรเป็นทางออกอะไรคือส่วนดีของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือส่วนเสีย อะไรคือทางออกเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสาะของอุปาทานขันห้าเหล่านั้นโดยความเป็นอัาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะตราบใดตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สู่ต่อไปก็มีข้อความคล้ายเรื่องคุณโทษและทางออกของโลกข้างต้นนอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ตรัสทำนองเดียวกันกับสูตรนี้อีกสองสมแห่งคือตรัสเกี่ยวกับาธาตุสี่เกี่ยวกับอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหและเกี่ยวกับอินสีห้าในมหาทุกขกขันธสูตรมัชฌิมานิกายมูลปั น, นาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดีพราหมทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดีซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะข้อที่สมณนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักชื่อว่าปริญญาคือรู้เท่าทันกามทั้งหลายเอง หรือจากชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้ฐานการรมทั้งหลายได้นั้นย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนสมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งส่วนดีของการทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดีซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะข้อที่สมณะหรือพรามเหล่านั้น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 กองทุกที่เห็นประจักษ์อยู่เองกองทุกมีในเบื้องหน้าอะไรคือนิสรณะแห่งการทั้งหลายภาวะบํมราชันธราคะเป็นที่ละฉันทราคะในการทั้งหลายได้คือนิพพานนี้คือนิสรณะแห่งการทั้งหลายในนิสารณียสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิสุมนัสิการอยู่ซึ่งการทั้งหลายจิตไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทไม่น้อมดิ่งไปในการทั้งหลายแต่เมื่อเธอมานสิการเน่ฆัมมะจิตย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมแนบสนิทย่อมน้อมดิ่งไปในเน่ฆัมมะจิตของเธอนั้นเป็นอันดำเนินไปดีอบรมดีแล้วออกไปได้ดีหลุดพ้นดีแล้ว ไม่เกาะเกี่ยวแล้วกับการทั้งหลายอาสะวะความขับแค้นเดือดร้อนเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจัยเธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสะวะความคับแค้นความเดือดร้อนเหล่านั้นเธอจะไม่เสวยเวทนานั้นนี้เรียกว่านิสระแห่งการทั้งหลายในมาคันธิยสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญณาต พระพุทธเจ้าตรัสกับมาคันธยาปริภาชกว่าเรานี้เองครั้งก่อนเมื่ อ, อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เอบอบิมรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำรงบำเรอตนต่อมาเรานั้นทราบตามเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดขึ้นซึ่งความดำรงอยู่ไม่ได้ซึ่งส่วนดีซึ่งส่วนเสียและซึ่งทางออกของกามทั้งหลาย จึงละกามตัญหาบันเทาความเร่าร้อนกามปราศจากความกระหายมีจิตสงบภายในเป็นอยู่เรานั้นมองเห็นสัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามมาตัญหาช่อนชัยถูกความเร่าร้อนกามเรารุนเสพกามอยู่เราก็หาใยทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นหาพลอยอภิรมในกามเหล่านั้นไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะเราเรื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมจึงไม่ไฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกอภิรมในความสุขที่สามกว่านั้นในจูละทุกขกขันทสูตรมัจจิมนิกายมุลปันนาฏพระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะดังนี้ ดูกระมานามะก่อนสำโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่ากามทั้งหลายมีอัศทะน้อยมีทุกข์มากมีความคับข้องมากอาทินวะในกามนี้ยิ่งหนักแต่เรานั้นยังไม่ได้ประสบปีติสุขที่ไม่อาศัยกาม ไม่ต้องมีอากุสรธรรมทั้งหลายหรือปีติสุขอื่นที่พระนีตยิ่งกว่านั้นเราก็ยังปฏิญาณคือยืนยันไม่ได้ก่อนว่าจะเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากรรมทั้งหลายแต่เมื่อใดเราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าการมทั้งหลายมีอัศทะน้อยมีทุกข์มากมีความคับคล่องมาก อาธินวะในกามนี้ยิ่งหนักและเล่า น, นได้ประสบปีติสุขอันปลอดจา ก, กามปลอดจากอากุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งปีติสุขอื่นที่ประนีตยิ่งกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากามทั้งหลายนี้เป็นตัวอย่างความจากบาลีพอเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแนวคิดแบบนี้